วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส2บสองในสายนพุทธศักราช2568ัน้าเป็นวันพระเป็นวันมงคลเพราะจะมีการกระทาที่เป็นมงคลก็คือบูชาจับูปบุชนียานัง เอตัมมังกัลมุตตังการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งคาว่ามงคลก็คือความสุขความเจริญของจิตใจพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพจากเทพให้ขึ้นไปเป็นพร จากพรมให้ขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลไปสู่พระนิพพานในที่สุดนี่คือความเป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้มีอยู่สามสิบแปดข้อด้วยกันหนึ่งในสามสิบแปดข้อนี้ก็คือการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชา บุคคลที่สมควรต่อการบูชาก็คือบุคคลที่มีพระคุณต่อต่อพวกเราไม่มีใครจะมีพระคุณมากเท่ากับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกสามารถ ทำให้กับพวกเราได้ก็คือทําให้พวกเราหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถสอนให้เราหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่พระพุทธเจ้า พระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าทัานนั้นพระคุณของท่านจึงเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งใหญ่มากกว่าพระคุณของบิดามารดาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดกับพวกเราสิ่งที่พ่อแม่ให้กับพวกเราได้ก็คือให้ชีวิตคือให้ร่างกายนี้มาแต่ร่างกายนี้ก็เป็นเพียง เครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้อาจจะเป็นโทษก็ได้ขึ้นอยู่กับเราผู้ดได้ร่างกายนี้มาว่า <c oughs> เราจะใช้ร่างกายนี้ไปในทางใดถ้าใช้น่างกายไปในทางผิดใช้ไปกับการกระทำบาปใช้ไปกับการเสพอบายามุกต่างๆก็เท่ากับการ ทำลายจิตใจให้ลงต่ำจากมนุษย์ก็อาจจะกลายเป็นเดรัจฉานเป็นเปิดเป็นนสุรกายหรือไปนรกได้แต่ถ้ารู้จักใช้ร่างกายให้ทำในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจก็สามารถที่จะ ทำให้จิตใจสูงขึ้นไปตามลำดับจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทพจากเทพก็ไปเป็นพรหมจากพรหมก็ไปเป็นพระอริยะบุคคลได้นี่คือพระคุณของพ่อแม่พ่อแม่ให้ร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือที่เราจะเอาไปใช้ในทางใดทางหนึ่งก็ได้ พ่อแม่ไม่สามารถที่จะสอนที่จะบอกให้เราใช้ร่างกายของเราให้ไปในทางที่มีคุณมีประโยชน์อย่างสูงสุดอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรันตาสาวกสามารถสอนได้ทำได้เพราะคุณของพระพุทธเจ้าและพระอรันตาสาวกจึงถือว่ายิ่งใหญ่กว่าเท่าคุณของบิดามารดาของพวกเรา เพราะว่าร่างกายที่พิดามาดาให้พวกเรามานี้มันยังสามารถทำให้ไปในทางที่ไม่ดีได้ไม่ใช่ว่าพอได้ร่างกายของมนุษย์มาแล้วเราจะใช้ร่างกายของมนุษย์นี้มาพัฒนาจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับ การที่เราจะพัฒนาจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นได้ตามลำดับนี้เราต้องมีผู้ที่มีจิตใจผู้ที่ได้รับพัฒนาผู้ที่ได้พัฒนาจิตใจของตนให้ไปสู่ขั้นสูงสุดได้แล้วซึ่งก็ไม่มีใครนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวุกที่สามารถพัฒนาจิตใจของพวกเรา ของพระองค์เองให้ขึ้นไปจากการเป็นปุถุชนเป็นมนุษย์ธรรมดาให้ขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรมเป็นพระาอาริยบุคคลตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือ ข, ขั้นมรรคผล น, ผนิพพานหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟัง ไม่ได้ดอยค่าพระคุณของบิดามารดาพระคุณของบิดามารดานี้ก็มีพระคุณอย่างล้นฟ้าต่อให้พวกเราทดแทนบุญคุณบิดามารดามากน้อยเพียงไรก็ตามเราก็จะไม่สามารถที่จะชดใช้แลอทดแทนบุญคุณของท่านที่ให้กําเนิดเรามาได้นอกจากว่าถ้าเรา ได้ได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระอรันตสาวกพบกับพระธรรมคำสอนแล้วได้ศึกษาและปฏิบัติจนกระทั่งสามารถยกกระดาษจิตใจของพวกเราให้ถึงขั้นสูงสุดคือขถึงขั้นถึงวิมุตตินิพพานได้เราก็จะสามารถที่จะ สั่งสอนเนื้อให้ความรู้ต่อบิดามารดาของเราถ้าท่านสนใจที่จะศึกษาที่ที่อยากจะเรียนรู้แต่ถ้าท่านไม่สนใจไม่ศึกษาไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะเรียนรู้ก็ไม่สามารถที่จะสอนจะบอกท่านได้แต่ถ้าท่านสนใจแล้วสอนแล้วบอกก็จะสามารถสอนให้ท่านได้ บรรูุเป็นพระ อ, อริยบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปได้ถ้าสามารถสอนให้บิดามารดาได้เป็นพระ อ, อริยบุคคลก็จะถือว่าได้ชดใช้บุญคุณของบิดามารดาได้อย่างสมบูรณ์อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำ หลังจากที่ได้ทรงตัดสัตวเป็นพระอรหันต์ตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงนึกถึงพระคุณของพุทธมารดาที่ให้กําเนิดให้ร่างกายคือร่างกายของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพอเกิดได้เจ็ดวันพระมารดาก็เส้นพระชนความเคารพความคิดถึงความ น, นับถือถึงพระคุณของ พระมารดาจึงทําให้พระพุทธเจ้าทรงเลงญาณค้นหาดูว่าดวงวิญญาณของพระพุทธมารดานั้นประทับอยู่ที่ไหนหลังจากได้ทรงค้นพบว่าอยู่ในสวรรค์และสามารถติดต่อ ด, ด้วยญานวิเศษของพระพุทธเจ้าได้พระองค์ก็ทรงสั่งสอนธรรมะให้แก่พุทธมารดา อยู่ต่อระยะเวลาหนึ่งพันษาด้วยกันสามเดือนจนในที่สุดพุทธมารดาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งพระโสดาบันนี้จะไม่มีวันจิตใจจะไม่มีวันตกต่ำอีกต่อไปจะไม่ต่ำความมนุษย์แต่จะเจริญขึ้นไปไเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดรือขั้นมรรคผลนิพพานตามลาดับ จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปอันนี้ดาพระอุธเจ้าทรงตัดว่าวิธีที่จะท ด, ทดแทนบุญคุณของบิดามารดาให้ได้อย่างสมบูรณ์ก็ต้องทำให้ท่านได้หลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งเป็นที่จะไปต่อไปส่วนพระ บิดาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ส่งแสดงโปรดแสดงธรรมให้แก่เจ้าชายสุธโธธนะตอนที่ท่านประชวรกล้าจะสิ้นประชนรเจ็ดวันก็สามารถสอนให้พระบิดาได้บรรลุเป็ น, าาารนพระอรหันต์ได้นี่ล่ะคือก็คุณงานยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลก คือเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะสอนให้สัตว์โลกผู้หลงติดอยู่ในกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของสังสารวัตรเกิดเกิดเกิดตายอยู่ในตายพบในกามาพบในรูปะพบและอรูปะพบเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรืเร่อยๆจน ไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจากพระพุทธเจ้าเองโดยตรงก็ดีหรือจากพระอาหารหันตสาวกหรือพระอาาริยสงสารกของพระพุทธเจ้าก็ดีเท่านั้นจึงจะสามารถเรียนรู้วิธีของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีความรู้อันใดในโลกนี้ไม่มี ผู้ที่มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาต่างๆของโลกนี้จะสามารถเอาความรู้ที่เขาได้เรียนรู้มานี้อามาดับความทุกข์ทางใจของเขาได้ไม่สามารถที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของใจของเขาได้มีวิชาเดียวเท่านั้นที่จะสามารถสอน ให้ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติได้ดับความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้และให้ยุติการเวียนว่าตายเกิดได้วิชวิชานั้นก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองที่ได้มาจากการตัดสั้ของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีการตัดสร้ของพระพุทธเจ้าแล้ว<ม>ก็จะไม่มีความรู้อันนี้ ที่จามาสอนให้กับสัตว์โลกที่จะทำให้สัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ได้ยุติได้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่แหละคือบุคคลที่สมควรต่อการบูชาเป็นสัตถาเทวะมนุษย์ศาสนาเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายนี้ไม่มีความรู้ในตัวของตนเองที่จะสามารถถอนให้ตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสั้เพระธรรมมันประเสริฐที่จะทาให้ผู้ได้ตัดสั้นได้ค้นพบความรู้อันนี้และได้ปฏิบัติตาม สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆทางใจได้พระคุณของพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่มหาศาลและการที่เราจะทดแทนบุญ ค, คุณของพระคุณของพระพุทธเจ้านี้ก็ทรงแสดงไว้สองลักษณะด้วยกันคือการบูชาพระคุณในพระพุทธศาสนาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ทั้งก็มี สอนให้บูชาสองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าอามิสบูชาอันดับที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูชาอามิส บ, บ, บ, บูชาคือการบูชาด้วยการทำบุญทำทานต่างๆถวายข้าวของเงินทองเครื่องสักการะอะไรต่างๆที่เป็นวัตถุต่างๆ เพื่อเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปกับโลกนี้ไปเป็นเวลาอันยาวนานเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้มีที่พึ่งมีมีมีมผู้สอนมีผู้พาให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาถ้าพุทธศาสนาสิ้นสุดลงเมื่อไหร่การที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็สิ้นสุดลงจะมีโอกาสหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอให้มีพระพุทธศาสนาอันใหม่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ คือต้องมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสรุปพระธรรมอันประเสริฐแล้วนำเอาพระธรรมอันประเสริฐนี้มาเผยแพ่สั่งสอนให้แก่สัรโลกเอกอีกครั้งหนึ่งดังนั้นการที่เราทําการบูชาเพื่อทํานุู้วามนุงพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นการบูชาที่เป็นมงคลอย่างยิ่งทั้งกับตัวเราเองและกับสารโลก ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะได้มีที่พึ่งมีผู้นำพาให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้<ม>การบูชาด้วยอาวิสบูชานี้<ม>ก็เป็นสำหรับผู้ที่ยังมีกําลังน้อย<ม>สามารถทำได้เพียงแต่ทำบุญทำทานรักษาสี่ห้าเท่านั้น อานิสงส์ที่ได้จากการทำอมิสบูชาก็จะทำให้จิตใจนี้หลุดออกจากการไปเกิดในอบายไดเกิดจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติถ้าทำบุญทำทานรักษาศีลเป็นประจังเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพ ที่มีอยู่หกชั้นด้วยกันแล้วหลังจากที่ได้หมดบุญแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะที่มั่งคัง่งที่มีความสมบูรณ์ในโภกทรัพต่างๆแล้วก็จะกลับมาทำบุญทำทานมารักษาศีลห้าอีกรอบหนึ่ง แล้วพอตายไปก็จะไปเกิดในสวรรค์ก็จะเวียนว่ายตายเกิดหลักอย่างนี้ไปเรื่อยๆืเรียกว่าเวียนว่ายในสุขคติ mm hmm. ถ้ามีการบำเพ็ญอามิสบูชาอยู่เรื่อยเรื่อย mm hmm. ทำบุญทำทานตามกำลังรักษาศีลห้าตามกำลัง mm hmm. รักษาศีลห้าให้เป็นมิตรใสเป็นนิจศีลรักษาให้ได้ตลอดเวลาแล้วทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆตามกําลังมีมากมีน้อยก็ทําไปถ้ามีพระพุทธศาสนาก็ทําบุญกับพระพุทธศาสนาด้วยการถวายปัจจัยสี่ให้แก่พระภิกษุสา ม, มเณรผู้ที่มาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนา ให้ได้สามารถได้อยู่อย่างอย่างสบายเพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลําดับต่อไปแล้วหลังจากที่ได้บรรลุแล้วก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระที่เป็นที่พึ่งของผู้ที่ยัง ไม่ได้บรรลุทาต่อไปได้นั้นการทำานุบานุงพระพุทธศาสนาด้วยการอามิสบูชา ก, คกา็คือการกระทำอาอามิสบูชาทำบุญใส่บาตรถวายผ้าจีวรเครื่องนุ่งหม่มถวายกุฏิที่อยู่อาศัยรวมไปทั้งศาลาการประเรียนศาลาทำกิจกรรมต่างๆโบสถ์วิหาร เจดีพระพุทธรูปต่าง ๆ, ๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นการทำอา ม, มิสบูชาถวายทานเป็นการทำบุญทาทานแล้วก็รักษาศีลห้าไม่ละเว้นจากการกระทำบาปเพราะว่าถ้าไม่รักษาศีลห้ายังปล่อยให้ใจทำบาปได้อยู่บุญที่ทำนี้อาจจะไม่สามารถส่งไป เกิดในสวรรค์ได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าบาปที่ทำไว้นี้มีมากกว่า บ, บุญที่ได้ทำเอาไว้จึงจําเป็นที่จะต้องมีการละเว้นการกระทำบาปด้วยในอมิสบูชานี้สังเกตดูเวลาที่เรามีการถวายสังฆทานหรือถวายทานต่างๆนี้ก่อนที่เราจะถวายทานเหล่านี้เราจะมีการอาราธนาศีลห้าก่อน คือเราต้องรักษาศีลห้าละเว้นการกระทำบาปเพื่อป้องกันไม่ให้การกระทำบาปนี้มาดึงมาฉุดดวงวิญญาณของเราให้ลงไปสู่ที่ต่าให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างไปตกนรกบ้าง mm hmm. การนั้นการกระทำอมิสบูชาจึงมี การกระทำสองส่วนในกันคือการทําบุญทำทานแล้วก็คือแล้วก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ถ้ารักษาศินห้าได้เวลาตายไปนี้บาปจะมีน้อยมากนี่แทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ก็จะมีแต่บุญบุญที่ท่านทามากทาน้อยก็จะสามารถส่งผลได้เต็มที่ส่งให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆได้ นี่คือเรื่องของการบูชาในระดับแรกสำหรับผู้ที่ยังมีกำลังใจน้อยมีสีที่ยังไม่แก่กล้าพอก็อยังไม่มีสติสมาธิปัญญาไม่มีศรัทธาที่แก่กล้าพอที่จะนำไปสู่การบูชาอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าปฏิบัติบูบชา การปฏิบัติบูชานี้จะเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นกว่าระดับสวรรค์ชั้นเทพแจะยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับพรมระดับพระอริยบุคคลและนำไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้การบูชานี้ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากอามิสมบูชาไปก่อน ถ้ายัางมีกำลังไม่มากพอที่จะไปสู่การปฏิบัติบูบชาได้ก็สะสมกำลังด้วยการทำอาวิธบูชาไปเรื่อยๆทำให้มากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับทำบุญทำทานให้มากขึ้นรักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้มากขึ้นเ mm. มื่อทำได้มากแล้วทำได้เต็มที่แล้ว mm. ก็จะมีกำลังที่จะก้าวขึ้นสู่ ระดับที่สองของการบูชาคือบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาเพราะการจะปฏิบัติบูบชาได้นี้จำเป็นจะต้องเพิ่มศีลจากศีลห้าขึ้นไปเป็นศีลแปดเพราะว่าศีลแนี้จะช่วยควบคุมการมักิเลตที่จะคอยดึงใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด ให้มีโอกาสที่จะออกมาแสดงตัวได้น้อยลงได้ยากขึ้นเพราะว่าการที่จะขึ้นไปสู่ระดับพรหมได้ระดับอริยรบุคคลได้จำเป็นที่จะต้องละเว้นการแสวงหาความสุขจากการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะชนิดต่างๆนั่นเองจึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มศีลห้าอีกสามข้อ ให้เป็นศิลแปแล้วก็เปลี่ยนศีลข้อที่สามจากกาเมสุวิชชาจารามาเป็นอ布拉มจาริยาเวรามณีกามสุวิชชานี่หมายถึงการไม่ประพฤติผิดในกามกือยังสามารถร่วมเพศหลับนอนกับคู่ครองของตนได้อยู่แต่ถ้าอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ทั้นพรหมสวรรค์ชั้น อริยาบุคคลก็จะเป็นที่จะต้องหยุดการหาความสุขจากการร่วมเพศกันหยุดการหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดพา้าเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเนคขมะคือการยุติการละเว้นการหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าชนิดต่างๆเพราะจะถ้ายังมีการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ ก็จะก็จะติดอยู่กับการมาพบไปเรื่อยๆถ้าอยากจะไปสู่พระนิพพานเบื้องต้นก็ต้องออกจากการมาพบไปก่อนจากการมาพบก็ขึ้นสู่รูประพบหรืออรูประพบหลังจากนั้นก็เข้าสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไปดังนั้นการที่จะปฏิบัติบูชาได้นี้ก็ต้องมีอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้น มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามากขึ้นมีความเชื่อมั่นในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติบูชานี้ได้ประโยชน์ได้อ น, นิสงส์มากกว่าการกระทําอามิสะบูชาเพราะจะนำไปสู่วิมุติการหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อามิสะบูชานี้ ทำได้เพียงแต่ให้เวียนว่ายตายเกิดในสุกติคือไม่ให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในทุ ก, กติไม่ต้องไปเกิดเป็นเลราชานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นนสุลกายหรือไปตกนรกถ้ามีการกระทำอมิสบูชาอย่างสม่ำเสมอคือมีการทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอมีการรักษาศีลห้ายอย่างเป็นปกตินิสัย ก็จะทําให้เวียนว่ายตายเกิดในสุคติตายไปก็ไปสวรรค์กลับจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะมั่งคั่งอยู่ดีกินดีพร้อมที่จะทําบุญทําทานต่อไปพร้อมที่จะรักษาศีลต่อไปได้ mm hmm. แต่ก็ยังต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดยังต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย ต้องมาพัดพรากจากบุคคลและสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบกันถ้าเราเบื่อกับการที่เราจะต้องมาเจอกับความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายกับการพัดพรากจากกันก็อาจจะทำให้เรามีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติบูชากันเพราะการปฏิบัติบูชานี้เป้าหมายหลักก็คือ การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแต่การที่จะไปสู่จุดนั้นได้การปฏิบัติก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นไปแล้วก็อยู่กับว่าอินทรีย์ที่มีอยู่นี้มีความแก่กล้าเพิ่มขึ้นมากหรือยังคือศรัทธาความเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าวิริยะ ความอุตสาหะภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนเพื่อให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาตามลาดับขึ้นมาถ้ามีศรัทธาที่เพิ่มมากขึ้นและมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นก็จะสามารถเจริญสติสมาธิและปัญญาให้มีกำลังมากขึ้นได้ เมื่อมีสติสมาธิปัญญามากขึ้นใจก็จะมีกําลังที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆได้มากขึ้นไปตามลาดับกําจัดเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจกําจัดเหตุที่พาให้ใจต้องกลับมาเวียร่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ <c oughs> นี่คือการพัฒนาจากการกระทําอามิสบูชา ขึ้นไปสู่การปฏิบัติบูบชาเบื้องต้นก็ทำอำาอมิสบูชาไปก่อนเข้าวัดบ่อยๆทำบุญทำบุญทาทานฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลไปก็ได้สะสมบุญจากการทำบุญทำทานจากการรักษาศีลจากการฟังเทศฟังธรรมเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการ เห็นว่าตายเกิดของตนเองแล้วก็จะทําทให้รู้ว่าการกระทําอมิสบูชานี้มีอา น, นิสงส์มีประโยชน์มากน้อยเพียงไรและการกระทําปฏิบัติบูชามีประโยชน์มีอา น, นิสงส์มากน้อยเพียงไรต่อไปก็จะมีศรัทธาที่อยากจะ อ, ออกปฏิบัติทําปฏิบัติบูชากัน อันดับท่านที่ยังไม่เคยปฏิบัติบูชาก็ทำอ ม, มิตรบูชาไปก่อนทำบุญทาทานรักษาศีลห้าฟังเทศฟังธร ร, รมศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆก่อนแล้วต่อไปสติปัญญาที่ไดจากการฟังเทศฟังธรรมก็จะมีเพิ่มมากขึ้นสติปัญญาที่เกิดจากการทาบุญทาทานรักษาศีล ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นก็จะเห็นคุณค่าของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นก็จะมีความเพียรตามมาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็จะสามารถเริ่มปฏิบัติบูชาได้เช่นปกติวันธรรมดาก็ทําอามิสสบูชาทมบุญทาทานถ้ามีพระบิณฑบาตก็ใส่บาตรไป หรือถ้าเคยเคยใส่บาตรถึงแม้จะไม่มีผ้ามาก็อาจจะทำบุญทำทานด้วยการบริจาคเงินให้กับวัดก็ได้ให้กับองค์กรการกุศลต่างๆก็ได้เพื่อเป็นการรักษาการปฏิบัติทานทำบุญทำทานให้สม่ำเสมอให้ให้ติดเป็นนิสัยให้รักษาศีลห้าให้เป็นนิสัย พอทำอะไรที่เป็นนิสัยแล้วมันก็จะทำง่ายมันก็จะทำไปจะติดเป็นนิสัยที่จะติดตามไปกับจิตใจในภพต่อๆไปด้วยกลับมาชาติหน้าถ้ามีนิสัยชอบทำบุญทําทานชอบฟังเทศฟังธรรมชอบรักษาศีล<ม>ก็จะกลับมาชอบทาบุญทําทานชอบรักษาศีลชอบฟังเทศฟังธรรมต่อไปแล้ววันธรรมดา วันวันพิเศษอาทิตย์หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงมีกําหนดวันพระขึ้นมาเช่นวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติด้วยกําหนดให้สาธุชนหยุดภารกิจการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกิจลดผลผลภัณฑ์ในรูปแบบต่ตางๆให้หยุดกิจกรรมเหล่านี้หนึ่งวันเพื่อเอาเวลามาให้กับการ มาปฏิบัติบูชาเพราะการปฏิบัติบูชาที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมานี้ควรจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าขึ้นมาก็เริ่มปฏิบัติได้เลยการปฏิบัติบูชานี้ก็ปฏิบัติที่ใจเริ่มด้วยการจเจริญสติเป็นหลัก ต้องจเจริญสติอยู่ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับจ <c oughs> ึงจะสามารถที่จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้ <c oughs> <c oughs> วันพระจะเป็นวันพิเศษเป็นวันให้ให้กับผู้ที่อยากจะปฏบิบัติบูชาได้มีเวลามีโอกาสที่จะได้ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเพราะการเจริญสติถ้าเราทำเพียงทำแต่เฉพาะเวลาที่เราวหายพระสวดมนต์เวลาที่เรานั่งสมาธินี้ <c oughs> กำลังของสติยังมีไม่มากพอไม่มากพอที่จะทำให้จิตรวมเข้าสู่สมาธิได้ถ้าอยากจะให้จิตรวมเข้าสู่สมาธิในขณะที่นั่งสมาธิจำเป็นที่จะต้อง <c oughs> มีการเจริญสติตั้งแต่เตินขึ้นมาเลยต้องขอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้เพราะความคิดนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้จิตไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไม่สามารถควบคุมความคิดได้นั่งสมาธิไปไม่ว่าจะ น, น้นมากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะทำให้จิตรวมเป็นสมาธิได้ ถ้าจิตยังไม่สามารถรวมเป็นสมาธิได้จิตยังจะไม่มีกำลังที่จะเอาไปเจริญปัญญาเพื่อที่จะเอาไปกาจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆที่เป็นเหตุที่พาให้จิตต้องมาเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นเหตุสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่เรื่อยจึงต้องมีการปฏิบัติ จริงจจริงๆจังๆอย่างน้อยที่ละหนึ่งวันคือวันพระนี้การปฏิบัติทางทางจิตก็เจริญสตินั่งสมาธิการปฏิบัติท า, ท, าตาาตทางกายวาจาก็คือการถือศีลแปดเคยรักษาศีลห้ามา้ะก็เพิ่มอีกสามข้อแล้วเปลี่ยนศีลข้อที่สามจากกาเมมาเป็นอบรัมมจจาเลีย <c oughs> ไม่ร่วมหลับนอนกับใคร <c oughs> ไม่หาความสุขจากการร่วมเพศกันจะมาเอาเวลาที่จะมาหาความสุขจากการร่วมเพศนี้มาให้กับการมาเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อหาความสุขจากความสงบที่เรียกว่าสันติสุขความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงการที่จะทำาห้จิตให้สงบให้เกิดความสุขได้จำเป็นที่จะต้องมีการเจริญสติ การจะมีเวลาเจริญสติได้ก็ต้องมีการรักษาศีลแปดห้ามละเว้นการไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกยินลดในรูปแบบต่ตางๆเช่นศีลข้อหกคือละเว้นจากการหาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากให้กินเพียงมือสองมื้อแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปเพื่อที่จะได้ระงับความอยากระงับ เวลาที่จะต้องเอาอไปให้กับการหาความสุขจากการรับประทานจากการดื่มเครื่องดื่มต่างๆเพื่อที่จะได้มีเวลาเอาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธินั่นเองแล้วศีลข้อเจ็ดก็ให้ละเว้นการหาความสุขจากมหัรศพบันเทิงต่าง ๆ, ๆไม่หาความสุขจากการดูภา พ, พ ย, ายนตร์ดูละครหรือแม้กระทั่งติดตามข่าวสารต่างๆ ก็ไม่ควรจะทำให้เราตัดใจเราออกจากโลกนี้ไปชั่วคราวอย่าไปรับรู้เรื่อ ง, ร, องราวต่างๆของโลกเลยเพราะโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์โลกของความวุ่นวายถ้าไปติดตามไปรับรู้เรื่องราวต่างๆนะมันจะมาสร้างความวุ่นวายให้กับใจจะทำให้การทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้ยากเป็นการสร้างนิวร์ขึ้นมา คือทำให้เกิดความฟุ้งสร้านขึ้นมาได้จากการที่เราไปติดตามข่าวสารต่างๆหรือดูพวกมหรสมพบรรทันบันเทิงต่างๆวันนี้วันวันพระเราจะละเว้นเรื่องของทางโลกไปให้หมดจะอยู่แบบแบบไม่ไม่มีอะไรอยู่กับความว่างอยู่กับธรรมชาติผู้ที่อยากจะ ปฏิบัติบูชาจึงมกเกียต้องไปอยู่ที่ ส, สถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากเรื่องของทางโลกเพราะถ้าอยู่ใกล้กับเรื่องของทางโลกพอได้รับรู้ได้ยินได้ฟังก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาก็ต้องละเว้นข้อสิลนข้อเจตนไม่หาความสุขจากการดูละครภาพยนตร์น้องลาทำเพลงต่างๆ เราก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกาย <c oughs> เป็นความสุขชั่วคราวร่างกายก็เป็นของชั่วคราวต่อให้เสริมสวยความงามของร่างกายไปมากน้อยเพียงไหรวันหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะร่างกายก็ต้องชลาภาพไปไต้องกลายเป็นคนแก่คนที่ไม่หน้าตาไม่สวยไม่งามเหมือนสมัยกับตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาว อย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขแบบชั่วคราวนี้เพราะมันจะนำมาสู่ความเศร้าความทุกข์เวลาที่ไม่สามารถที่จะรักษาวความสวยงามของร่างกายไว้ได้ต่อไปเอาเวลามาสร้างความสงบให้กับใจดีกว่าสร้างความสุขให้กับใจที่จะทำให้ใจนี้มีความสุขไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพใดร่างกายจะแก่หรือไม่แก่จะสวยหรือไม่สวย จเจ็บไข้หรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยต่ตายหรือไม่ตายจิตใจก็ยังสามารถมีความสุขได้ <c oughs> แล้วก็ให้ละเว้นการนอนไม่ให้นอนมากเกินไปคืนหนึ่งก็นอนประมาณสัก5้าหกชั่วโมงก็พอสี่ห้าชั่วโมงก็พอ <c oughs> วิธีที่จะทำให้ไม่นอนมากก็อย่าไม่นอนบนเตียงที่มีพูกหน า, นา ที่นอนแล้วสุขแล้วสบายมากเกินไปให้นอนบนเตียงที่มีพื้นแข็งๆจะได้นอนไม่นอนไม่มากเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอเพียงแล้วก็จะตื่นขึ้นมาถ้านอนบนฟูกหนาๆจิตก็จะไม่อยากจะลุกก็อยากจะนอนต่ออีกหลายอีกสองสามชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมา จิตก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สุขไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมามาเจริญสติมานั่งสมาธิต่อไปอ น, นี่ก็คือสิ่งที่เราจาเป็นที่จะต้องมีในการปฏิบัติบูบชายังเป็นของยากกว่าอามิสบูชาอามิสบูชาเพียงแต่ถือศีลห้าก็พอแล้วแล้วก็ทำบุญทําทานไปตามตามกำลังของเรามีมากมีน้อยเราก็ทาไป แต่ถ้ามาปฏิบัติบูชานี้เราต้องมีเวลาว่างทั้งวันทั้งคืนอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนหยุดภารกิจการกระทําต่างๆ ท, ทางโลกไปให้หมดไม่ว่าจะเป็นการทํามาหากินไม่ว่าจะเป็นการหาราบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาชนิดต่างๆกิจกรรมเหล่านี้เราจะหยุดชั่วคราวเพื่อมาสร้างความสุขในรูปแบบใหม่ ความสุขที่เกิดจากการเจริญสติความสุขที่เกิดจากการรักษาสีแปดความสุขที่เกิดจากการไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกอยู่ตามลำพังการปฏิบัตินี้ต้องอยู่ตามลาพังถึงจะดีจะได้ไม่มีอะไรมาลบกวนใจถ้าอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ต้องมีการคุยกันคุยกันก็ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านขึ้นมา แทนที่จะทำให้จิตใจสงบจิตใจก็จะไม่สงบเพราะเวลาคุยกันก็ต้องใช้ความคิดคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่อง น, นี้คุยไปคุยมาความคิดมันก็พุงอยู่ในใจถึงม้เวลาแยากกันไปนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เพราะยังคิดอยู่กับเรื่องที่คุยกันอยู่ฉะนั้นผู้ที่ต้องการจเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทาใจให้สงบนี้จึงควรไม่ควรที่จะคลุกคลียกัน ควรจะแยกกันอยู่แยกกันปฏิบัติไม่ต้องคุยกันถ้าคุยก็คุยเรื่องที่จําเป็นจริงๆจำเพาะมีเหตุจําเป็นที่ต้องพูดก็พูดได้แต่ถ้าไม่มีเหตุจําเป็นก็ไม่ควรที่จะพูดคุยกันไม่ควรที่จะพบปะกันควรแยกกันอยู่ตามที่อยู่ของตนถ้าไปสถานที่ปฏิบัติที่มีความแพ่งคัดนี้เขาจะจัดที่ให้อยู่กันตามลาพังไม่ให้ไปพบปะกันไม่ให้ไป สังสรรค์กันไม่ให้ไปทำกิจกรรมร่วมกันนอกจากกิจกรรมที่มีกำหนดไว้เช่นการไปฟังเทศน์ังธรรมหรือว่าการไปรับประทานอาหารเป็นต้นเท่านั้นนอกจากนั้นนก็จะไม่ให้มีกิจกรรมอะไรนอกจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบเพื่อทเพื่อเพื่อสร้างความสุขให้กับใจจากการ ใช้สติใช้การปฏิบัติใช้ความเพียรเมื่อเกิดความสุขแล้วจะได้มีที่พึ่งในตนัวเองถ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะสามารถเลิกพึ่งความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เลิกพึ่งความสุขจากราบยศสนเสริญได้อันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจมีพลังที่จะสามารถอยู่ ตามนำพังของตนได้ถ้าจิตมีความสงบมีความสุขแล้วจิตก็จะไม่ต้องไปเพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องไปเพึ่งรูปเสียงกิจโนดผดภพะให้ความสุขไม่ต้องไปเพึ่งบุคคลนั้นบุคคลนี้ให้ความสุขเพราะสามารถมีความสุขอยู่ในตัวของตนเองได้แล้วความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็ยังเป็นความสุขมีอยู่สองระดับด้วยกัน ระดับชั่วคราวและระดับถาวรความสุขที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธินี้เป็นความสุขแบบชั่วคราวเวลาเจริญสติควบคุมความคิดด้วยความคิดได้นั่งสมาธิทำให้จิตรวมเป็นสมาธิได้พอจิตรวมสงบลงความสุขก็เกิดขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นความสุขที่ทเหนือกว่าความสุขทั้งปวง นัตถิสันติพลังสุ ข, ขังก็จะปรากฏขึ้นมาแต่จะอยู่ได้ในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นพอจิตถอนออกเอาจากสมาธิมาพอเริ่มคิดเรื่องับรู้เรื่องราวต่างๆความสงบที่ได้นั้นก็จะค่อยๆจางหายไปเพราะว่ามีเหตุที่ทำให้ความสงบนั้นจางหายไปความสงบจางหายไปเพราะว่าหนึ่ง การขาดสติหรือมีสติกำลังน้อยกว่าเหตุที่มาสร้างความที่เหตุที่มาทำลายความสงบเหตุที่มาทำลายความสงบก็คือกิเลสตัณหานี่เองคือความความโลภความอยากต่างๆยังมียังมีอยู่ในใจยังไม่ได้รับการทำลายไม่ได้รับการกำจัดจากกัมละจากการปฏิบัติสติสมาธิ mm hmm. เพียงแต่ การปฏิบัติสมาธิหรือสตินี้เพียงแต่กดความอยากต่างๆไว้เท่านั้นเองแต่พอพอกาลังของสติอ่อนลงจิตถอนออกมาด้วยอำนาจของความอยากของกิเลสปัญหาต่างๆมันก็จะมาทำให้ความสงบนั้นหายไปแล้วความเย็นความสุขก็จะหายไปแล้วสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความร้อนความอยากต่างๆก็จะเข้ามาแทนที่ต่อไป ผู้ปฏิบัติเมื่อออกจากสมาธิแล้วถ้ายังอยากจะรักษาจิตไม่ให้กลับไปทุ่งซ่านกลับไปทำอะไรตามความอยากอยู่เบื้องต้นก็ต้องใช้การเจริญสติต่อไปเหมือนกับตอนก่อนเข้าสมาธิตอนที่จะเข้าสมาธิก็ต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาในทุกอิริยาบุการเจริญสตินี้จะใช้คำบริกรรมพุทโธ พ, พุทโธไปก็ได้ไม่ว่าเราจะทาอะไรจะเดินยืนนั่งนอน ทำจะรับประทานอาหารจะทำอะไรก็มีพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะควบคุมความคิดได้ถ้าควบคุมความคิดได้ก็ควบคุมความอยากได้เวลานั่งสมาธิก็จะทำให้มีสติมีกำลังพอที่จะทำให้เข้าไปในสมาธิได้แต่พอเข้าไปได้ในสมาธิแล้วกำลังของสติก็จะก็จะอ่อนลง พออลงก็อยู่ในสมาธิได้ไม่นานก็ถูกกำนกำลังของความอยากผลักดันจิตให้ออกมาหาสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการออามาหารูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะชนิดต่างๆอยากกินอยากดื่มอยากดูอยากฟังอะไรขึ้นมาต่อไปถ้าถ้าไม่อยากจะให้ความอยากนี้ผลักดันให้ไปก่อการกระทาขึ้นมาก็ต้องจเจริญสติต่อไปเหมือนกับตอนที่ก่อนเข้าสมาธิ คอยควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆให้อยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆความความอยากก็จะไม่สามารถออกมารบกวนใจได้หร mm. ืออีกวิธีหนึ่งถ้าไม่ใช้คําบริกรรมพุทธโธในการเจริญสติก็ใช้การดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ร่างกายกําลังอยู่กําลังอยู่ในอริยาบทใดก็ให้รู้ให้เฝ้าดูตลอดทุกอิริยาบท กำลังนั่งก็รู้ว่ากำลังนั่งกำลังลุกขึ้นก็รู้ว่ากำลังลุกขึ้นกำลังเดินก็รู้วากำลังเดินกำลังยืนกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้รู้อยู่ตลอดเวลาหรือผูกใจไว้กับร่างกายไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ใจไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่กับร่างกายไปตลอดเวลาอันนี้เป็นการเจริญสติเพื่อเพื่อควบคุมความคิดเพื่อหยุดความคิดไว้ไม่ให้มัน ตึงสั้นเพื่อที่เวลาเข้าสมาธิจิตจะได้สงบได้อันนี้ก็มีสองวิธีให้คำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปก็ได้เป็นการเจริญสติหรือใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อยๆแล้วเวลามานั่งสมาธิจะใช้คำบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้ทั้งสองอย่างมา ร, รวมกันก็ได้บางท่านก็ใช้เวลาหายใจเข้าก็ว่าพุทธเวลาหายใจออกก็ว่าโทพุทธเข้าโทออกไปบางท่านก็ไม่ดูลมเลยก็ได้เอาแต่พุทโทพุทโธพุทโธไปไม่ต้องดูลมไม่ต้องสนใจกับเรื่องลมเลยก็ได้บางท่านก็ไม่เอาพุทโธเอาแต่ลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ก็ดูลมหายใจที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกอย่าปล่อยให้ใจ ไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องลมเพียงอย่างเดียวให้รู้อยู่กับเรื่องลมเพียงอย่างเดียวถ้าสามารถถูกใจให้อยู่กับกรรมฐานคือลมหายใจก็ดีหรือพุโทโธอย่างเดียวได้ก็ดีเดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้แต่ก็เข้าสู่ความสงบก็ในเบื้องต้นสาหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆก็อาจจะเข้าอยู่ได้เพียงแค่แวบเดียวคือพอเข้าไปปั๊บ พอสงบรวมได้ปป๊บเดียวมันก็ถอนออกมาเนื่องจากกําลังสติที่ได้ที่ได้สร้างขึ้นมานี้ยังมีกําลังน้อยยังสู้กําลังของกิเลสไม่ได้มากได้เพียงพอที่จะทําให้จิตสงบชั่วขณะหนึ่งเราก็เรียกว่านี้เป็นคันนิกะสมาธิแต่พอหลังจากได้คันิกะสมาธิแล้วเห็นความสําคัญของการจลรสติแล้วต่อไปก็จะ เจริญสติให้มากขึ้นให้มีการต่อเนื่องอย่างมากขึ้นไม่ให้พังให้เผลอให้น้อยลงต่อไปเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้งานได้นานขึ้นถ้าจิตสงบชั่วคราวช่วช่วขณะหนึ่งเราเรียกว่าคณิกะสมาธิซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติใหม่ๆแต่ต่อไปเมื่อปฏิบัติต่อไปเจริญสติให้มากขึ้นมากขึ้นต่อไปเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบ ได้นานขึ้นเวลาจิตสงบนานขึ้นเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเบือ้องต้นก็เป็นคณิกะสมาธิก่อนต่อไปก็เป็นอัปปนาสมาธิสมาธิทั้งสองแบบนี้ไม่สามารถกําจัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่เป็นเหตุของความทุกข์ใจที่เป็นเหตุที่พาให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะว่าสติไม่มี ความสามารถที่จะไปที่จะไปทาลายความโลภความอยากต่างๆที่เกิดจากความหลงได้ต้องอาศัยปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถที่จะถอดถอนความลภต่อทอนกิเลสตัณหาด้วยการสอนความจริงให้กับใจเพื่อแก้ความหลงที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความโลภความอยากในขึ้นมา อันนี้ก็คือเรื่องของสมาธิสมาธิจึงไม่สามารถที่จะกำจัดตัญหาความอยากตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจได้<ม>เพียงแต่กดเอาไว้ในขณะที่เข้าสมาธิสมาธิเวลามีสติมีกำลังมากจิตก็จะสงบเป็นสมาธิก็สามารถที่จะกดป้องกันไม่ให้ความอยากออกมาทำงานได้ ไม่ให้กิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆออกมาทํางานได้ชั่วคราวแต่พอเราถอนออกจากสมาธิมาแล้วก็กิเลสตัณหาก็จะออกมาได้ทันทีท่า<ม> น, นเปรียบเทียบ ว, ว่าสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับหญ้า<ม>เวลาเราเอาหินไปทับหญ้าไว้นี่หญ้าก็งอเงงวยขึ้นมาไม่ได้<ม>แต่เวลาเอาหินออกไปแล้วปล่อยให้ให้ได้น้ำํำได้แดดสักระยะหนึ่งหญ้า ที่ถูกทับไว้ก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้เพราะรากของยาอยู่ใต้ดินนี้ยังไม่ได้ถูกถอนถอนขึ้นมาสมาธิจึงเพียงแต่กดนังั บ, ง ค, บความโลภความอยากต่างๆไว้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถกำจัดได้อย่างถาวรจิตจึงไม่สามารถสงบได้อย่างถาวรเพราะตัวที่ทาให้ความสงบนี้หายไปก็คือตัวกิเลสตัณหาเี่ถ้าอยากจะให้กิเลสตัณหานี้ ถ้าอยากจะให้ความจิตสงบไปตลอดมีความสุขอยู่กับความสงบไปตลอดก็ต้องใช้ปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเวลาที่กิเลสออกมาทำงานเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากนี่ความสงบที่ได้จากสมาธินี้ก็จะถูกทำลายไปความวุ่นวายใจความหิวโหยก็จะเกิดขึ้นมา ต้องเห็นโทษของกิเลสอันหาว่าเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจสร้างความวุ่นวายให้กับใจถ้าเห็นด้วยปัญญาเวลาเกิดความโลภความอยากก็จะได้ใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดโดยโดยสอนใจให้เห็นถึงสิ่งที่ความโลภความอยากต้องการว่าเป็นความสุขชั่วคราวเช่นเราอยากจะได้ความสุขจากการไปเที่ยวแต่ความสุขจากการไปเที่ยวนี้ก็เป็นความสุขแบบชั่วคราว เวลาไปเที่ยวมันก็มีความสุขแต่พอหลังจากกลับมาจากไปเที่ยวแล้วความสุขนั้นก็หายไปความเศร้าความเหงาความว้าววัก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันให้ความสุขกับเราได้เพียงชั่วคราวเพราะว่าวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องมีการสิ้นสุดลงมีการพัดภาคจากกันเวลามีการสิ้นสุดลงมีการพัดภาคจากกันความเศร้าความทุกข์ก็จะกลับคืนมาใหม่ โดยสรุปก็คือให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปฐพภาชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งสมาธิก็เหมือนกันสมาธิก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวไม่ให้ไปยึดสิ่งอันนี้มาให้ความสุขต้องหยุดความอยากถ้าอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่า ความสุขนี้เป็นความสุขชั่วคราวจะนําไปสู่ความทุกข์ต่อไปเวลามันเกิดการสิ้นสุดลงถ้าเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้คือเรียกว่ามีปัญญาเห็นด้วยปัญญาเมื่อเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ไม่อยากจะได้ไม่อยากจะมีความอยากได้สิ่งนั้นอีกต่อไปอันนี้เป็นการใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆให้เลิกให้เลิกทําตามความอยากต่างๆ เพราะความอยากนี้ไม่ได้นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นการนำไปสู่ความสุขแบบชั่วคราวและพอความสุขนั้นหมดไปเปลี่ยนไปความทุกข์ก็จะเข้ามาทันทีให้อยู่กับความไม่มีความอยากดีกว่าพอตัดความอยากได้จิตก็จะกลับเข้ามาสู่ความสงบทันทีสงบให้ความสุขกับใจโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องมีไปมีอะไรไม่ต้องไปเป็นอะไรก็จะสามารถตัด ตัณหาทั้งสามได้คือกามะตัณหาความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลิภัพฑ์ได้ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้พอมีปัญญาแล้วก็สามารถที่จะทำลายเหตุคือตัณหาความอยากทั้งสามนี้ที่เป็นตัวมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจที่เป็นตัวที่ฉุดลากให้ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆได้ พอเห็นด้วยปัญญาแล้วความอยากเหล่านี้ก็จะหมดกำลังไปจะไม่อยากอีกต่อไปพอจิตไม่มีความอยากแล้วจิตก็จะอยู่ในความสงบไปตลอดอันนี้แหละเรียกว่าเป็นความสงบที่แท้จริงความสงบอย่างยั่งยืนก็คือความสงบของพระนิพพานนี่เองที่เรียกว่านิบานังปามังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีสิ้นสุด เป็นความสุขที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความว่างคือความปาศจากสิ่งต่างๆนิบานังปรมังสนยังถ้าอยากจะได้นิพพานก็ต้องสละทุกสิ่งท้งอย่างต้องไม่ต้องไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นสามารถอยู่โดยที่ไม่มีอะไรได้อยู่กับความว่างได้<ม>นันนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงก็จากการปฏิบัติบูบชาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นการบูชาที่เลิศที่สุด ในการบูชาทั้งสองรูปแบบนี้พระองค์ทรงตรัสว่าปฏบิบัติบูชานี้เป็นเป็นการบูชาที่แท้จริงเป็นการบูชาที่พระองค์ทรงปรารถนาให้ชาวพุทธเราได้ปฏิบัติกันแต่ในเบื้องต้นถ้าเรายังมีอินทรีย์อ่อนมีกำลังน้อยศรัทธาอ ย, ย่างน้อยสติสมาธิปัญญาอย่างน้อยความเพียรอย่างน้อยอยู่ก็ใช้การบูชาด้วยอมิสซาบูชาไปก่อน ทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมไปก่อนจนกว่าจะมีกําลังมากขึ้นแล้วก็เอาเริ่มออกไปปฏิบัติบูชาได้ในวันพระอาทิตย์หนึ่งก็เอาวันหนึ่งให้มาให้กับเปให้เวลากับการปฏิบัติบูชาแล้วต่อไปก็จะปฏิบัติบูชาเพิ่มมากขึ้นต่อไปอาจจะปฏิบัติสองวันต่ออาทิตย์สามวันต่ออาทิตย์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็อยากจะปฏิบัติบูชาทุกวัน ก็สามารถไปอยู่แบบนักบวชได้ถ้าอยู่แบบนักบวชได้ปฏิบัติอยู่ทุกวันการที่จะได้บรรลุถึงมรรคผลนี้ผ่านก็จะไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากตามที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีถ้ามีการปฏบิบัติบูชากันอย่างต่อเ น, นื่องการบรรลุถึงผลที่จะได้จากการปฏิบัติบูบชา ก, ก็จะตามมาอย่างแน่นอน นี่คือเรื่องของความเป็นมงคลที่เอามาฝากท่านในวันนี้คือความเป็นมงคลจากการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาบูชาจลิปูชาจะปูชนียานังเอตมังกลมุตตะมังการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปลิกปุเรนเตสาคะลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตาหนังอุปการปฏิย an ิชิตังปั um ิตังปุ่มหังคิปเมวาสมมิตจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติ ระโสยะธาสภิเตโยวิว so ัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิสานิจจังวุธาปะจายโนจตารุธรรมวาทานเตอายุวันุสุขัง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 y o u t u ด e อร V ว1ท่านวิทยาลัไลิ์11ท่านค l ับเฮาส์หท่านนาคุติ215ิบ21หท่านรวมทั้งหมด904ท่านครับอาจารย์คำถามจากทางนาคุตินะคะ ก, ก, าะการาบรามศสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงคำถามมีสองข้อคะ่ะข้อที่1จิตใช่เราไหมคะถ้าจิตไม่ใช่เราแล้วจริงๆเราคืออะไรเจ้าคะ จิตไม่ใช่เราจิตเป็นธาตุรู้จิตเป็นผู้คิดผู้ปรุงแต่งเราเกิดจากการปรุงแต่งของจิตอีกทีหนึ่งจิตเป็นเหมือนคนเขียนนิยายเราเป็นตัวนิยายเราเป็นตัวละครในนิยายจิตเป็นคนสร้างขึ้นมาเวลาจิตหยุดทํางานเวลาจิตไม่คิดอะไรตัวเราก็หายไปเวลาเข้าสมาธิแล้วจิตนิ่งสงบพอไม่มีความคิดก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวตัวคิด ที่บอกว่าเป็นเราของเรานี่ก็หายไปเราก็จะเห็นว่าตัวตัวเรานี้เกิดจากความคิดของจิตเท่านั้นเองไม่ใช่ของจริงไรข้อสองค่ะแล้วธาตุรู้ใช่เราหรือไม่เจ้าคะถ้าอะไรนะธาตุรู้ค่ะว่าธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้ไงเหมือนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่มีไม่มีตัวตนอยู่ในสิ่งเหล่านี้มันเป็นธาตุเป็นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ จากคุณสิรวิทยทางอินบ็อกนะคะขออนุญาตถามหน่อยนะครับการถวายผลไม้ให้กับพระที่มีเมล็ดคนถวายจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกเพราะว่ามี ม, มีวิธีการก่อนจะถวายถ้าเป็นผ้า ป, ป่านี่เราจะต้องมีการทําลายผลไม้นั้นคือถ้าเป็นเป็นพกกนลิกอะไรเราก็หักมันทักเม็ดหนึ่งล้วก็บอกว่าตอนนี้พลิกนี้ตายแล้ว เพะาะฉันได้ไม่ได้ค่าสัตว์ถ้าเป็นผักบุ่งก็ห่งางบันสักก้านนึงจากคุณเทพริษค่ะปัจจุบันมีแนวคิดเสรีทางเพศของคู่รักที่เรียกว่า Open Relationship หรือกระทั่งคู่ที่มีพิธีแต่งงานกาันเราที่เรียกว่า Open Merit ซึ่งคู่รักตกลงร่วมกันว่าอนุญาตในคู่ของตนไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นแต่ต้องไม่ผูกพันทางอารมณ์หรือพูดง่ายๆว่านอกกายแต่ไม่ให้นอกใจกรณนีนี้ผิดศีลข้อสามหรือไม่อย่างไรใครเป็นผู้เป็นผู้สร้างบาปครับระหว่างคู่รักกับผู้ที่เข้ามามีความสัมพันธ์ด้วยค่ะก็เป็นเป็นอะไรเป็นนิสัยของสัตว์เดรัจฉานเขาก็เป็นแบบนี้ เขาก็ ม, มีมีคู่ได้หลายคู่ตามที่เขาต้องการจากคุณ bubble cc ค่ะท่านอาจารย์ how to deal with toxic people leave them alone <laughs> คำถามต่อไปค่ะ กลับนมัธการพระอาจารย์ขอสอบถามว่าการฟังเทศฟังธรรมด้วยความตั้งใจตั้งมั่นอยู่กับเสียงธรรมที่ฟังแบบหลับตาฟังลืมตาฟังแบบนี้เรียกว่าเป็นสมาธิไหมคะถ้าเป็นเหมือนหรือต่างกับสมาธิตอนนั่งไหมคะคือเป็นความสงบแต่สงบต่างกันไม่เต็มร้อยเหมือนกับเวลาที่เรานั่งสมาธิอาจจะได้สักห้คือแทนที่จะนั่งคิดฟุ้งซ่านพอเราฟังเทศฟังธรรม แล้วก็หยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจที่ฟุ้งซ่านก็สงบตัวลงแต่ยังไม่ถึงรวมกับเป็นสมาธิที่เต็มร้อยถ้าอยากจะให้เต็มร้อยหลังจากฟังเทศจก็นั่งดูลมหายใจต่อไปจากคุณใบหยกค่ะ สิ่งที่จิตของลูกได้รับจากการปฏิบัติคือจิตเมตตาแต่เมตตาแบบเข้าใจในเหตุนั้นจึงมีผลนั้นบางสิ่งช่วยได้ก็ทำสิ่งที่ช่วยไม่ได้ก็เป็นธรรมดาไม่ใช่สงสารจนทำให้จิตทุกข์ถูกทางแล้วหรือไม่อย่างไรคะกับพระอาจารย์เมตตาชีแนะคะ่ะถูกต้องการช่วยผู้อื่นก็ต้องรักษาใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับเขาถ้าเราช่วยเขาไม่ได้ เราก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของบุญกรรมของเขาไปจากคุณประพันธ์ทางเฟซบุ๊กค่ะกรณีเสียชีวิตใจออกจากร่างกายรอร่างกายใหม่บุญมากกว่าบาปใจไปสวรรค์พรมแบบฝันดีไม่มีร่างกายบาปมากกว่าบุญใจไปนรกอสุรกายเปรตแบบฝันร้ายไม่มีร่างกายแต่ถ้าใจไปเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีร่างกาย ใจก็ต้องไปหาร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแต่ละชนิดนั้นถูกต้องไหมครับถูกต้องคำถามต่อไปค่ะฝึกนั่งสมาธิได้ประมาณสองปีแล้วจิตสงบแค่แป๊บเดียวก็ถอนออกมาต้องใช้เวลานานขนาดไหนคะจิตถึงจะสงบได้นานแล้วก็เป็นอุเบกขาค่ะก็ต้องอยู่ที่การเจริญสติอย่างต่อเนื่องถ้าทำได้ทั้งวันทั้งคืน โอกาสที่จะเข้าสงบได้อย่างเต็มที่ก็จะมีมากขึ้นจากคุณบนทิราค่ะกล่าวนามสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเรียนถามว่าถือศีลแปดแล้วหลังเย็นเราสามารถดื่มน้ำผลไม้ได้หรือไม่คะหมายถึง เ, เวลาตอนเย็นใช่เจ้าค่ะหลังนได้น้ำผลไม้บางชนิดก็ม่คือท่านกาหนดว่าน้าผลไม้ต้องทำจากผลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่ากำปั้น ถ้าใหญ่กว่าเช่นส้มโอมะละกอมะละกอสับ ป, ปะรดเนี่เอามาทำเป็นน้ำผลไม้ไม่ได้ถ้าเป็นนะถ้าเป็นส้มเป็นองุ่นเป็นแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยดืมได้จากนักุติค่ะปฏิบัติภาวนาแบบอานาปานาสติเห็นการมสัญญาเกิดดาบตลอดเวลาสติเข้าจับอัตโนมตัติโดยไม่ต้องมังคับ จากเมื่อก่อนต้องใช้อสุภาเข้าให้ดับไปสติตัดกามอัตโนมัติผมต้องออกบวชหรือไม่ครับเรื่องนี้เราต้องรู้ตัวเราเองว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสงบมากขึ้นล้วก็ถ้าเราอยู่กับโลกมันก็ยังวุ่นวายอยู่เราก็ต้องออกบวชแต่ถ้าเราอยู่กับโลกได้โดยไม่วุ่นวายจะอยู่ไปก็ไม่ต้องบวชก็ได้อันนี้แล้วแต่เราต้องเป็นคนตัดสินใจเอาเอง จากนักุติคะ่ะคนที่มาถือสินแปดที่วดัดแล้วแอบเอาหมามาด้วยเขาจะได้บุญไหมคะคือมันก็ต้องขออนุญาตสถานที่ก่อนว่าเขาอนุญาตให้เอาสัตว์เข้ามาได้หรือไม่เพราะบางทีการเอาสัตว์มามันก็เป็นภาระแทนที่จะมาเจริญสตินั่งสมาธิก็ต้องมาคอยดูแลสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่ตามสถานที่ปฏิบัติเขาก็จะไม่ให้เอาเข้ามาแม้แต่เด็กและเขาก็ไม่ให้เอาเข้ามา เพราะมันจะลบกูในการปฏิบัติได้เน้นถ้าเอาใส่เข้ามามันก็จะไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ผลก็คือบุญที่จะเกิดก็จะไม่ได้เต็มที่จากคุณนาวินค่ะกับเรียนพระอาจารย์เมื่อเจริญสติพุธทโทพอจิตแวบออกไปคิดแล้วรู้ทันเป็นวิปัสนาหรือเปล่าครับยังเรายังเป็นการเผลิดเพินท่าน้นเองพอรู้ว่าเพลิดิก็กลับมาใหม่ต่อ พยายามให้จิตอยู่กับพุโทโธอย่างต่อเนื่องเพื่อจิตจะได้เข้าสู่ความสงบได้จากคุณอร่งชัยค่ะกราบยนถามว่าโพชทชงเจ็ดนั้นเกิดขึ้นระหว่างการทําสมาธิระดับอุปจารสมาธิใช่ไหมครับหรือเกิดขึ้นทั้งระหว่างและหลังออกจากสมาธิครับพุทธชงนี่มันก็เป็นมรรคฐานที่จะเป็นมรรคแบบ ก, ก็เป็นมรรคเจเป็นการเจริญรรมต่างๆ เพราะฉะนั้นนไม่ได้เกี่ยวว่าอยู่ข้างนอกสมาธิหรืออยู่ในสมาธิก็ อ, อยู่กับว่ามักโชฌงอันไหนที่เราพูดถึงถ้าพูดถึงสติเราก็เราก็ต้องเจริญสติก่อนเข้าสมาธิอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นการพิจารณาธรรมก็เป็นการต้องทำจังจากออกจากสมาธิมาแล้ว จากคุณเวทิสาค่ะกับเรียนถามค่ะทำอย่างไรจึงจะสามารถเอาชนะความเคยชินเดิมเช่นการชอบกินมากเกินไปนอนมากเกินไปได้เจ้าคะทั้งที่มีความตั้งใจอยากลดการกินการนอนแต่ก็มัดจะแพ้ใจตัวเองค่ะไปบวชเลยจากคุณจูดี้ค่ะตื่นมา ตื่นนอนมาเปิดบทสวดมนต์ได้แต่ไม่นั่งสมาธิจะได้บุญใหม่คะก็ได้ความสงบไม่เท่ากันการสวดมนต์นี้สงบสู้ความสงบจากการนั่งสมาธิไม่ได้ตอนนี้ยังไม่มีค่ะหลวงพ่มีมใรอยากจะถามไหมคุณท่านมีไหมไม่ดีเหรออ่าเชิญม So um, I study hard in uni right now. But recently, I just heard that you said that the purest form of happiness is nothingness. So what's the point of all this uni and working and stuff? Delusion. You're going after something that is not good for you. They are, They can cause you suffering or stress. When you don't have anything, then you have nothing to worry. With. You have nothing to lose. So you no stress, no fear, nothing. So, okay. so that's the best, best form of happiness. Is to have nothing. To exist alone. So should I still continue? All my this career path, my uni and stuff like that. Well, yeah, if you have to feed yourself or not. <laughs> sure. y okay. thank you. Uh, uh, if you can become a monk, then you don't have to worry about all the s t u f f So I'm, I'm thinking after. Yeah. Am I? Might, so. If you can become a monk, then you you don't have to worry about your career, your income or anything because you will, you will be look after by the supporters. Then you can spend all your time practicing emptiness. Okay. Thank you. Okay. ราวนมัสการค่ะอยากจะสอบถามว่าเวลาที่มีบางครั้งที่เราจะมีความเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นเวลากลับบ้านทํางานเสร็จแล้วอะค่ะมันจะมาอยู่กับความรู้สึกตัว มันมันคน่อนข้างที่จะอ๋อได้ยินไหมคะค่ะก็คือจะรู้สึกเวลาที่เราเหนื่อยอะคะ่ะแล้วมันก็จะรู้สึกตัวยากแล้วก็จะอยู่แต่กับความเหนื่อยมันจะนึกถึงแต่ว่าอยากจะกลับบ้านไปนอนลักษณะนี้นะคะอค่ะอ๋อมันเราควรจะปฏิบัติกับมันยังไงอะคะ่ะก็คือเราคือต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าการปฏิบัติแบบคารวะนี้มันยากเพราะไม่มีอุปสรรคเยอะ เขาต้องไปทำงานทำการเรี่ยวแรงก็จะหมดเวลากลับมาถึงบ้านก็อยากจะพักผ่อนหลับนอนมากกว่าถ้าอยากจะปฏิบัติจริงๆต้องไปปรียบไปเวกหาวันหยุดหยุดทำงานแล้วก็ไปปฏิบัติแบบจริงๆจังๆัง่งนี้จะได้ผลกว่าถ้าปฏิบัติแบบคาววาก็ทำเท่าที่เราทำได้ไปวันไหนเหนื่อยมากทำไม่ได้ก็นอนไปท่าผ่อนไป เหมือนกับขับรถขึ้นทางด่วนกับอยู่ใต้ทางด่วน <c oughs> ถ้าขึ้นทางด่วนได้มันก็ปลื้ดปลื้ดปล้ปไปอย่างถ้ายังอยู่ใต้ทางด่วนอยู่ก็รถติดไฟเขียวไฟแดงติดรถนู่นติดรถนี่กันขอบคุณค่ะมีทางบ้านถามเข้ามาว่าสัปดาห์สงกรานนี้พระอาจารย์แสดงธรรมวันไหนบ้างคะก็ถึงวันวั น, วนห้าห้าวันด้วยกันนันน่าะวันนี้ ถึงวันพุธนึ่งวันพุธไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะถ้าไม่มีก็เอาท่านนี้ก่อนขอให้ท่านจรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด